ท่านสาธุชนพุทธบริสัท์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9กันยายูพุทธศักราชส5 5 5เป็นวันพระวันธรรมมัสวนะวันฟังธรรมวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ พอความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำความสุขและความเจริญมาให้ถ้ากายวาจาใจเศร้าหมองไม่สะอาดก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นขอทานก็จะหาความสุขไม่ได้ความสุขของใจนี้ ต้องอยู่ที่การชำระกายวาจาใจให้สะอาดสิ่งที่ทำให้ใจกายวาจาเศร้าหมองไม่สะอาดนี้เรียกว่าอากุศลมีอยู่สิบระการด้วยกันคือ อ, ก, อกุศลสิบทางกายก็มีสามทางวาจาก็มีสและทางใจก็มีสามรวมกันก็เป็นสิบ อกุศลก็คือสิ่งที่เราต้องมาชำระและที่เรากำลังชำระ ก, กันอยู่นี่อกุศลทางกายมีอยู่3ข้อด้วยกันคือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การรักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดโอเวนีนี่เป็นการกระทาที่จะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ความหวาดกลัวความวิตกกังวลถ้าเราไม่ทำทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสบายดังนั้นเราจึงมาสมาทานศีลห้ากันเพื่อที่จะมาชำระอกุศลทางกายและทางวาจาเราได้สมาทานว่า เราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์กชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือจะไม่มีจะไม่ร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองไม่ใช่เป็นสามีเป็นภรรยานี่คืออกุศสงหรือการชำระอกุรสง ถ้าเราหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ได้หลีกเลี่ยงการลักทรัพย์ได้หลีกเลี่ยงการประพฤติผิดต่อเวณีได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับวิบากของการฆ่าของการลักทรัพย์ของการประพฤติผิดต่อเวณีเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขส่วนพระคุณทางวาจาก็มีอยู่สี่ด้วยกันคือ 1. การพูดบท 2. การพูดคำหยาบาการพูดเทอเจอการพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกสามคียุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อกันและกันเป็นการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษทั้งผู้พูดและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะพูด คำพูดเหล่านี้เพราะไม่ได้ทาให้เราดีเจริญหรือมีความสุขแต่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไปเช่นการพูดปดเป็นต้นการพูดปดนี้จะทำให้เราคำพูดของเรานี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความหมายถ้าเขารู้ว่าคำพูดของเรานี้เป็นคำพูดที่ไม่จริง เราก็จะเสียเครดิตเราจะไม่มีความหมายต่อผู้ไม่ว่าเราจะพูดอะไรจะถูกหรือจะผิดจะจริงหรือไม่จริงถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนพูดปดคำพูดของเราก็จะไม่มีความหมายต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะให้คำพูดของเรานี้สักเสร็จพูดแล้วมีคนเชื่อมีคนฟัง มีคนปฏิบัติตามได้เราก็ควรที่จะละเว้นจากการพูดปกส่วนการพูดคำอยางนี้ก็เป็นเหมือนกับการลดตัวเราลงให้ต่างลงไปคนที่พูดวาจาสุภาพนี้กับคนที่พูดคำอยางนี้มีความแตกต่างกัน คนที่พูดวาจาสุภาพนี้จะเป็นที่เคารพนับถือส่วนคนที่พูดคำหยาบนี้จะเป็นคนที่ไม่มีคนเคารพนับถือและจะเป็นคนที่ถูกดูถูกเหยียดหยามเพราะเป็นคนต่ำต้อยไม่รู้จักใช้วาจาที่สุภาพที่สวยงาม ถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีเราก็อยากไปพูดคำหยาบพยายามพูดคำที่สุภาพฟังแล้วจะเร่งหูจะเงใ จ, ใจส่วนคำพูดเท่เจอะก็เป็นคำพูดที่ไร้สาระฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร พูดไปก็ไม่เกิดประโยชนย์เสียเวลาไปต่อๆอยาเสียน้าลายไปกับคำพูดเพื่อเจอ้อต่างๆเช่นการเดินทา ก, การเล่เหมือนเทน้ำนี้ไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งนั้นถ้าจะพูดควรจะพูดสิ่งที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์ สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกๆคำพูดนี้มีสาระมีประโยชน์ผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้รับประโยชน์จะได้พัฒนาชีวิตของตนเองให้เจริญให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลง พระพุทธเจ้าจึงเป็นที่เคารพนับถือเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี้เป็นประโยชน์โดยท่ายเดียวไม่มีโทษเลยเช่นคำสอนที่ทรงสอนโดยโดยย่อสามข้อด้วยกันคือให้ทำบุญสองให้ละบาปสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่แหละเป็นคำพูดที่มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งผู้ใดสามารถปฏิบัติตามได้ผู้นั้นจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จเจริญและมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพียงคำพูดสั้นๆ ส, ส, สามคำนี้เท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากการที่ยึดติดตกอยู่ในกองทุกข์ให้หลุดออกจากกองทุกข์ให้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นคําพูดที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําพูดของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไ ป, ปเอาไปปฏิบัติตามได้ ก็ปรากฏเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไรขอให้เราคิดเสียก่อนว่าพูดไปแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูดดีกว่าสู้มาภาวนาทําใจของเราให้สงบดีกว่าพุโทโธพุโทโธไป หรือพิจารณาธรรมะคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าไปจะเป็นประโยชน์กว่านี่คือการพูดเพ้อเจ้อที่เราไม่ควรที่จะพูดกันพูดไปแล้วก็อาจจะทำให้คนอื่นเขาฟังแล้วลำคาญไม่อยากจะอยู่ใกล้เราพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดอะไรไร้สาระต่างๆแล้วคำพูดข้อที่สคือ คำพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดนี้หมายถึงการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีให้ความก็ให้เกิดความเกลียดชังกันไม่ควรที่จะพูดไปให้ผู้อื่นเขาทะเลาะกันแตกแยกกันเพราะความแตกแยกกันนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเราอย่าไปให้ความทุกข์แก่ผู้อื่น ด้วยการพูดของเราถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าพูดไปแล้วทำให้เกิดการแตกแยกกันเราก็อย่าไปพูด อ, อยู่เฉยๆปุบปากก็ไว้จะดีกว่าแล้วก็เราจะได้เป็นคนที่เขาไม่ตำหนิในภายหลังว่าเป็นคนที่ชอบไปทำให้ผู้หลงเขาะเลาะวิวาสกัน แตกแยกกันเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีคนอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือคำพูดที่ไม่เป็นมงคลหรือเป็นอภูสลสี่ประการด้วยกันคือพูดกดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและพูดส่อเสียส่วนอภูษลทางใจ ก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือความโลภความโกรธและความหลงอกุสลทางใจนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดของอกุสลทางกายและทางวาจาเช่นเวลาเรามีความโลภความอยากได้มากๆเราก็อาจจะไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่นเวลาเราอดอยาขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานมีความหิวมากแล้วไม่มีปัญญาที่จะไปซื้ออาหารมารับประทานได้เราก็อาจจะไปลักทรัพย์เพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้ออาหารมารับประทานหรือถ้าเราลักทรัพย์ไม่ได้เราก็อาจจะไปยิงนกตกปลา เพื่อที่จะหาอาหารมารับประทานถ้าเราไม่มีความโลภคือเราถึงแม้จะหิวแต่ใจเราก็ทนได้ไม่หิวไปกับร่างกายเพราะเราไม่อยากจะทำบาปเรายอมอดตายดีกว่าเพราะว่าการอดตายนี้ไม่เสียหายเท่ากับการไป ฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราไว้เพราะการฆ่านี้มีผลตามมาต่อไปคือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่ฆ่าก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้เป็นผลที่จะตามมาจากการทําบาป เช่นการฆ่าสัตว์หรือการรักสัพว์แต่ถ้าเรามีความสามารถที่จะหยุดความโลภความอยากของเราได้เราก็ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมและใจของเราก็ไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายด้วยเพราะความหิวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความหิวส่วนใหญ่อยู่ที่ความอยากรับประทานอาหารอันนี้เป็นความทุกข์ทรมานใจมากกว่าความหิวของร่างกายคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ยังเกิดความทุกข์ทรมานใจได้เมื่อนึกถึงอาหารอยากจะรับประทานอาหารขึ้นมาอีกคนเราที่รับประทานอาหารจนน้ำหนักเกินรูปร่างไม่สวยงาม ก็เพราะว่าไม่สามารถหยุดความอยากได้นั่นเองร่างกายได้รับอาหารพอเพียงแล้วแต่ใจยังไม่พอเมื่อใจไม่พอก็บังคับให้ร่างกายรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นไปอีกจนร่างกายร่างกายนี้กลายเป็นกลายเป็นตุ่ไปไม่มีรูปไม่มีร่างนี่คืออํานาจของความ หิวทางใจความอยากทางใจที่เป็นอกุศลที่เรียกว่าเป็นความโลภเราควรที่จะพยายามหยุดความโลภต่างๆให้ได้ถ้าเราหยุดได้แล้วเราจะไม่ต้องไปทําอกุศลทางกายและทางวาจาการที่เราจะหยุดความโลภได้นั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเรา มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือไม่เครื่องไมายเครื่องมือที่จะหยุดอกุศลคือความโลภความโกรธและความหลงนี้พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเราเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เป็นการชำระอกุศลทางใจซึ่งทรงสอน ขั้นที่หนึ่งก็คือให้เจริญสติสตินี้จะเป็นเหมือนกับเบรคของรถยนต์ถ้ารถยนต์มีเบรกเวลาเราต้องการจะหยุดรถยนต์เราก็เหยียบเบรครถยนต์ก็จะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ฉันใดถ้าเราอยากจะหยุดความโลภความโกรธความหลงเราก็ใช้เบรคคือสติหยุดได้สติเป็นอย่างไร ก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเวลาเราโลภอยากได้อะไรเราอยากไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้เช่นกระเป๋าหรือรองเท้าหรือเสื้อผ้าให้เราคิดถึงคำว่าพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงกระเป๋ารองเท้าถึงเสื้อผ้าถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปได้สักระยะหนึ่ง เราก็จะลืมเรื่องกระเป๋าเรื่องรองเท้าเรื่องเสื้อผ้าไปพอเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วความโลภอยากได้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าก็จะหายไปนี่คือการหยุดความโลภแต่หยุดได้เพียงชั่วคราวพอเรากลับไปคิดถึงกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอีกเราก็จะเกิดความโลภอยากได้เราก็ต้องใช้วิธีที่สอง คือปัญญาเราต้องสอนใจให้รู้ว่าของต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้นำความสุขมาให้กับเรามันนำความทุกข์มาให้กับเรามากกว่าความสุขได้ก็เพียงเดี๋ยวเดียวเช่นเวลาได้กระเป๋าใบใหม่มาก็ดีใจไปเดี๋ยวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกเฉยๆพอเห็นกระเป๋าใบใหม่ เห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาม่ความสุขที่ได้จากกระเป๋าใบเก่าก็หายไปหมดเกิดความทุกข์ความกวนก歪กระสับกระส่ายอยากได้กระเป๋าใบใหม่อยากได้รองเท้าคู่เราต้องสอนใจว่าความอยากได้สิ่งต่างๆใ น, นื่องนี้มันเป็นโทษกับใจของเรา เพราะมันทำให้ใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัวฟุ้งซ่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระซาดกังวลกวายสิ่งต่างๆที่เราได้มาก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดความอยากที่เรามีได้ไม่สามารถหยุดความโกรธที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องมีความทุกข์แถมมาด้วยเพราะเมื่อเราได้อะไรมาเราก็จะมีความหวงมีความยึดติดมีความเสียดายเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา เพราะว่าใจของเรานี้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรถ้าเราสามารถชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ใจของเราจะมีความอิ่มมีความพอตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีความโลภนั่นเองไม่มีความอยากนั่นเอง ความอยากนี้ทำให้ความอิ่มความพอหายไปความไม่อยากทาให้ความอิ่มความพอปรากฏขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสุขสบายอิ่มไม่หิวไม่อยากกับอะไรเราก็ต้องพยายามเจริญสติและปัญญาอยู่เสมอคอยสอนใจให้มีสติยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่าง ไม่มีความไม่มีทัวร์ที่ต้องคิดอะไรก็ให้เราท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจฝึกไว้ก่อนถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนเวลาเกิดความโลภเราจะไม่สามารถบริกรรมพุทธโธหยุดความโลภได้หรือให้เราซ้อมพิจารณาเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา เพราะว่าได้มาแล้วก็หมดความหมายไปได้มาแล้วก็ดีใจเดียววแล้วก็เกิดความอยากได้สิ่งใหม่ต่อไปอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ไม่พอสักทีให้สอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เห็นว่าใจเรานี้อยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยการไม่โลภด้วยการไม่อยากด้วยการไม่มีอะไร ให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชโอรสมาก่อนทรงมีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายกายกองแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องมีไปเรื่อยๆถ้าวันไหนเราไม่มีเราขาดไปเราก็จะเสียอกเสียใจ ทุกทรมานใจสู้อย่ามีดีกว่าเมื่อเราไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไม่มีอะไรที่ต้องเสียเมื่อเราไม่มีการเสียอะไรเราก็จะไม่มีความเสียใจจะไม่มีความทุกข์ใจเรากับจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายกายกองเพราะเราไม่ต้องมากังวลมาคอยห่วงคอยห่วง คอดูแลรักษาเราอยู่เฉยๆมีความสุขเพราะใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่คือการสอนด้วยปัญญาให้สอนซ้อมไปอยู่เรื่อยๆคิดไปอยู่เรื่อยๆพอเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาเราก็ใช้สติใช้ปัญญามายับยั้งได้เลยเช่นท่องพุทโธไปก่อน ท่องพุโทโธทำใจให้เย็นให้สบายให้ลืมถึงเรื่องที่เราอยากได้ไปก่อนเมื่อลืมแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจว่าอย่าไปอยากได้อย่าไปเอาเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้เป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนลูกระเบิดที่มันจะระเบิดใส่เราในวันข้างหน้าเช่นเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือเวลาที่เขาจากเราไป เช่นเราได้คนรักมาใหม่ๆเราก็มีความสุขแต่พอเขาเปลี่ยนไปเขาเคยดีกับเราเขาเคยรักเราแล้วตอนหลังเขามาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีกับเราเขาไม่รักเราตอนนั้นก็เหมือนกับโดนลูกระเบิดใส่ใจเราเราจะเศร้าโศกเสียใจหรือถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขารักเขาดีกับเราแต่เขาเกิดตายไปก่อนเวลาอันสมควร เราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจนี่คือระเบิดเวลาสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนอายาพิษเคลือบด้วยน้าตาลเวลาเราอมเข้าไปในปากใหม่ๆก็รู้สึกหวานดีพอน้ําตาลละลายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขมขื่นเหลือแต่ความ เศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่เที่ยงเขามีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่ควรไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราหลงก็เพราะว่าเราไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์นั่นเองเราเห็นทุกข์ว่าเป็นสุดเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเราจึงต้องคอยสอนใจเราอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาสิ่งต่างๆที่เราได้มาในโลกนี้ตั้งแต่ร่างกายของเราตอนต้นเราก็ได้ร่างกายพอได้ร่างกายแล้วพอเราโตขึ้น เราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหาสามีหาภรรยาหาบุตรหาทิดามาเป็นสมบัติของเราแต่พอเวลาที่เราตายไปเราก็เอาสามีเอาภรรยาไปไม่ได้เอาบุตรเอาทิดาไปไม่ได้เอาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของเรานั่นเอง เราต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาถ้าเราคอยสอนใจอย่างนี้เราก็จะแก้ความหลงที่ไปคิดว่าเป็นของเราที่ไปคิดว่าจะให้ความสุขกับเราที่ไปคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆที่เราได้มานั่นเองนี่คือการเจริญปัญญาที่เราควรที่จะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนที่จะสอนได้เราต้องทำใจเราให้นิ่งให้ว่างซะก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ต้องท่องพุทโธพุทโธไปก่อน จนกว่าจะลืมเรื่องที่เราอยากจะได้เมื่อเราลืมแล้วเราค่อยมาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้เรื่องที่เราอยากได้นี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขอย่าไปเอามาอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ตามลําพังของเราอย่างนี้ดีกว่าสบายใจไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องมาดูแลรักษา ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เกิดการพลาดพาจากกันไปนี่คือวิธีชำระอกุศลทางใจด้วยสติด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าเราบริกรรมพุทโธไปนานๆใจเราก็จะว่างใจของเราก็จะสงบก็เรียกว่าเป็นสมาธิพอใจเราว่างสงบแล้วเราก็ค่อยมาสอนใจต่อไป ถ้าใจยังไม่ว่างนี่สอนอย่างไรใจก็ไม่เชื่อใจก็จะดื้ออยากจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ได้เหมือนเวลาที่เราห้ามเด็กไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เรานา่าจะห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาจะดื้อเขาอยากจะทำนอกจากเราฉลาเราหลอกให้เขาไปทำอะไรอย่างอื่นแทนพอเขาไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วเขาก็จะลืมเรื่องที่เขาอยากจะทำได้ เชินชวนให้เขาไปทำอะไรแท น, แทนพอเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เขาอยากจะทำเรื่องที่เขาอยากจะได้แล้วเขาก็หายหายโลกหายอยากหายดือ้อนี่คือเรื่องของใจของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเป็นเหมือนกันใจของเราไม่มีอายุใจของเด็กกับใจของเราใจของผู้ใหญ่นี้ถ้าจะว่ามีอายุก็มีอายุเท่ากัน เพราะว่าไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายมีมาเป็นกับเป็นกัรแล้วใจของเราดังนั้นขอให้เราพยายามสอนใจให้เราฉลาดไม่ให้เราหลงกับสิ่งต่างๆเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็จะไม่โลภไม่อยากได้เมื่อเราไม่ได้อยากได้อะไร เวลาเราไม่ได้เราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่เสียใจความโกรธของเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เ mm hmm. ช่นเราโกรธคนเพราะว่าเขาด่าเราเพราะอะไรเพราะเราอยากไม่ให้เขาด่าเรานั่นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าเราอยู่ในโลกนี้เราไปห้ามคนอื่นเขาไม่ได้เขาอยากจะชมเราหรือเขาอยากจะด่าเรา เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามความโกรธในตัวของเราได้ด้วยการห้ามความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราหรืออย่าไปอยากไม่ให้เขาด่าเราถ้าเราไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวเขาจะดีเขาจะาร้ายกับเราเขาจะชมหรือเขาจะด่าเราเร า, เราก็จะไม่โกรธเขาเพราะเราจะไม่หวังอะไรจากเขานั่นเอง นี่คือเรื่องที่เราสามารถสอนใจแก้ให้ใจของเราอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าใจเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไม่ไปทําอกุศลทางกายทางวาจาเราจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดโกรพูดคําหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียเมื่อเราไม่ได้ทํา อกุศลทั้ง1ิประการเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเราจะเป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลทั่วไปเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ทรงชำระอกุศลทั้งส0หมดไปจากใจแล้วจึงกลายเป็นผู้ที่มีแต่คนเคารพนับถือกราบไหว้บูชา ถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้พบกับพระองค์โดยตรงเพราะพระองค์ได้เสด็จประลันิพพานไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความดีงามของพระองค์นี้ทำให้เรามีความเคารพนับถือมีความประทับใจเราก็จะเป็นที่ประทับใจเป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้อื่นถ้าเราชำระอกุศลทั้งสิ ให้หมดไปจากจิตจากใจของเราได้พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้เท่าๆกันไม่มีไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อแม้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคาราว่าหรือเป็นนักบวชเพราะมีทุกเพศทุกวัยที่สามารถชำระอคติทั้งสิบมาได้แล้วในอดีตในสมัยพระพุทธกาลมีผู้ที่ ชำร่าอคุสมทั้งสิบได้และบรรลุเป็นพาะสาวมได้มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งข่าวรว่าและนักบวชดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีความสุขและความเจริญอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายก็ขอให้เรามาชำระอาอคุสมทั้งสิบนี้ ให้ออกไปจากกายวาจาใจของเราเถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไหวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุตรกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจราญ ด้วยอายุวันาสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ